ช่วงนี้ใกล้เข้าพรรษาพระจะเยอะในตุ๊กันที่เยอะเลยเดี๋ยวตอนเข้าพรรษาเหลือน้อยพระต้องอยู่กับที่โยม่อเยอะทุกวันเนาะหลวงพ่อดูหน้าซ้ำๆเยอะเรียนแล้วเรียนอีกคนใหม่ๆก็มีามาทุกวัน ที่น่าสนใจคือคนที่มาใหม่นะจํานวนมากเลยที่ภาวนาเป็นมาล้วแค่ฟังซีดีนะภ mm hmm. าวนาได้พอให้ได้หลักแล้วมันง่ายแต่เดิมเราชอบทะเลาะอ ก, กันวนะ่าสายไหนดีกว่าสายไหนหยาบๆเลยว่าสายกายกับสายจิตอะไรดีกว่ากันแต่มาก็แยกวนะ่าสายกายนะรู้ลมหายใจดีหรือรู้ท้องฟังยุบดีห หรือรู้อิยาบทสีด่ดีหรือจะทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนดีถ้าเราได้หลักของการปฏิบัติแล้วก็ใครถนัดวิธีใดก็ใช้ได้ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าต้องทำให้ถูกหลักเครื่องมือในการเจริญสติปัฏฐานที่จะให้เกิดปัญญามันมีสองตัวตัวหนึ่งคือตัวสติสติปัฏฐาน ส่วนที่สองคือสัมมาสมาธิสติปัฏฐานเนี่ยต่างกับสติธรรมดาสติธรรมดาเนี่ยเกิดกับอารมณ์ฝ่ายกุศลทั่วๆไปเขาเรียกสาธารณากุศลคำว่าสาธารณากุศลเนี่ยทางอภิธรรมเรียกมาก่อนนะเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นแบบพอต็กซึ่งอะไรเงี้ยไปสาธารณากุศลหมยายถึงกุศลทั่วๆไป อย่างเราจะทำทานจะรักษาศีลจะทำสมถกรรมฐานอะไรเงี้ยก็ต้องมีสติแต่สติอย่างนั้นเป็นสติธรรมดาเป็นสติที่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิที่ดีสติชนิดเดียวที่จะพาให้เราพ้นโลกขึ้นสู่โล ก, กุตรภูมิได้เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นเป็นสติที่ระลึกรู้รูปรู้นาม ต้องรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามถ้าไปรู้อย่างอื่นก็ไม่เรียกว่าสติปัฏฐานนี้นสติต้องฝึกนะต้องฝึกจนมันมีสติระลึกรู้รูปนามได้อีกอันาหนึ่งคือตัวสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตจิตต้องตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาในพระีิธรรมถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา งันมีสองตัวนี้แหละสติกับสัมมาสมาธิถ้าขาดสติทําอะไรไม่ได้เลยถ้ามีสตินะอาจจะไปจ้องไปรู้กายไปรู้ใจทําสติปัฏฐานแต่สติปัฏฐานแบบที่ไม่มีสัมมาสมาธิหนุนหลังเนะี่ยเป็นสติปัฏฐานที่ทําแล้วเกิดสมถกรรมฐานเท่านั้นงั้นไม่ใช่ว่าทําสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจจะเป็นวิปัสสนาเสมอไป เท่าที่หลวงพ่อสังเกต ด, ดูผู้ปฏิบัติที่ว่ารู้กายรู้ใจที่ว่าทํำวิปัสสนานั้นจริงๆไม่ได้ทํำวิปัสสนานหรอกหาคนทํำวิปัสสนานจริงๆยากที่สุดเลยเพราะขาดองค์ประกอบสําคัญคือขาดสัมมาสมาธิฉะนั้นก่อนที่จะมาเจริญสติปัฏฐานทําวิปัสสนานรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ต้องฝึกจิตใจจนกระทั่งเกิดสัมมาสมาธิก่อน ฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านวางหลักสูตรของธรรมมาไว้ท่านวางไว้ดีมากนะบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราศึกษานะ่ยมีสามบทชื่อว่าศีลสิกขาบางทีก็เรียกให้เพราีาวกว่านี้ชื่ออาทิศีลสิกขามีอาทิด้วยนะต้องยิ่งใหญ่หน่อยเอาง่ายๆว่าศีลสิกขาก็เริ่มเรียกอาทิขึ้นมาเดี๋ยวกลัวเปล่าๆมีศีลสิกขาทำยังไงจิตใจของเราจะเป็นธรมธรมดาธรรมดา จิตใจของเราจะไม่ถูกกิเลสชัช่วยหยาบครอบงําจนกระทั่งทําความผิดล้นออกมาทางกายทางวาจาได้ถ้าเราทําความผิดศี่ห้าละเมิดความออกมาทางกายทางวาจามันผิดมาจากใจก่อนใจมันถูกกิเลสครอบงําดังนั้นถ้าเรามีสติคอยรู้ทันจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆกิเลสครอบงําจิตใจไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเรื่อยๆนะตามองเห็นรูป จิตเรายินดียินร้ายขึ้นมาเรารู้ทันความยินดียินร้ายมันก็คื อ, อพิชาโทมนัสหรือราคาโทสะนั่นเองก็ครอบงำจิตไม่ได้จิตก็ไม่ทําผิดศีลอย่างเห็นสาวสวยนะชอบเขารักเขามีสติรู้ทันจิตของตัวเองนี่มีราคาเกิดขึ้นราคาดับไปก็ไม่ไปหลอกไปลวงอะไรเขาแล้วไม่ทําผิดศีล โกรธเขขึ้นมาอยากฆ่าเขานะมีสติรู้ทันลงไปที่ใจตัวเองที่กำลังโกรธเยูนะ่มีสติรู้ทันนะความโกรธกล้บงําจิตใจไม่ได้ก็ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครเนี่ยพระรามีสติอยู่นะศีลมันจะเกิดขึ้นจิตใจเราจะเป็นปกติเป็นธรรมตาถ้ายังไม่มีศีลที่เกิดจากการสัมรวมอินทรีย์ที่เรียกว่า C, อนินทรียสแสงวรศีลอย่างนี้ก็มีศีลธรรมดาไปก่อน ตั้งใจรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดตามโอกาสนะเป็นฆราวาสหลวงพ่อไม่ได้บอกให้รักษาศีลแปดทุกวันส่วนมากมันจะศีลแปดเพื่อนนะแค่ศีลห้ายังแปดเพื่อนเลยมันไม่ถึงศีลแปดจริงอ่ะกับร้องกับแ้งมีศีลห้าไว้ก่อนยังไงยังไงก็อย่าให้ผิดศีลห้าถ้าเราทําผิดศีลห้าจิตใจเราจะฟุ้งซ่านคนที่ทําผิดศีลเนี่ยจิตฟุ้งซ่านนะไม่มีความสงบหรอก ดังนจะฝึ ก, กจิตฝึกใจให้เกิดความสงบนี่ยากสีหนึ่งเป็นปัจจัยของสมาธินะเป็นพื้นฐานทำให้สมาธิได้ง่ายยกตัวอย่างนะเราคิดจะฆ่าคนใช่จิตใจเราฟุงา้งซ่านไม่สงบหรอกฆ่าเสร็จแล้วก็วต้องปกปิดไม่ให้คนรู้อะไรเงี้ยจิตใจไม่สงบนอนสะดุ้งขวากลัวตำรวจบ้างกลัวผีบ้างเราจะทำความผิดศีลเนะี่ยจิตใจเราจะฟุง้งซ่าน นั้นถ้าเรามีศีลในจิตใจแล้วก็สบายไม่มีภาระมากฝึกจิตฝึกใจต่อไปในขั้นที่สองชื่อว่าจิตสิกขาบทเรียนที่สองนี่เป็นบทเรียนที่อาภัพที่สุดในบรรดาบทเรียนทั้งสามบทเรื่องศีลสิกขาคนยังอยากถือศีลนะแต่ว่าถือแบบไม่ได้มีการศึกษาไม่รู้ว่าศีลนั้นมันต้องพัฒนาขึ้นไปจนเป็นศีลอัตโนมัติก็แค่ศีลลำบากยากจนศีลไปขอพระมา ขอมาแล้วก็มาถือแบบลําบากลําบากเนี่ยถ้าถ้าศึกษ า, าศีลสิกขาเนะี่จะรู้ว่าจริงๆแล้วก็คือเรามีสตินั่นแหละคอยรู้ทันกิเลสมันไม่ครอบงาําจิตศีลมันก็มีขึ้นมาเนะี่ถ้าเราได้ศึกษ า, าศีลสิกขาเนะี่เราจะเกิดศีลอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดหรอกศีลนะชนิดนี้คือจิตเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงาําความเป็นปกติจิตศีลเลยแต่ว่าปกติธรรมดา จิตไม่ถูกกิเลสครอบงำนี่บทเรียนนี้ก็ยังมีคนเรียนบ้างนะแต่ไม่มากบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาเนี่ยแทบหาคนเรียนไม่ได้เลยเราไปวาดภาพว่าจิตสิกขาคือการเข้าชาญความจริงจิตสิกขาชื่อมันก็บอกแล้วว่าเรียนเรื่องจิตเราจะเรียนว่าให้รู้ความจริงว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลก็มีหลายแบบเป็นกุศลทั่วๆไปที่อยู่กับโลก หรือเป็นจิตที่เป็นกุศลที่ใช้ทําสมถะจิตที่เป็นกุศลแบบที่จะใช้ทํามิปัสสนานจิตที่เป็นกุศลยังมีหลายแบบเราต้องเรียนไปจกนกระทั่งเรารู้ความจริงเลยจิตที่เป็นมหากุศลและจิตที่ใช้ทํำมิปัสสนาจริงๆนะมันจะเป็นมหากุศลและจิตญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาอาศังคาริกงังคือเกิดขึ้นเองต้องเป็นจิตที่เกิดขึ้นเองถึงจะมีกําลังกล้านะ บรรดาจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นเองอันไหนเกิดเองก็มีกําลังกล้าอันไหนต้องถูกชักชวนโน้มน้าวจูงใจให้เกิดนะ่ะเป็นกุศลหรืออกุศลที่มีกําลังน้อยอย่างเราเนี่ยมีสันดานไม่ดีเจอใครก็อยากฆ่าเขาตลอดอะไรเงี้ยเนี่ยนะมันเกิดเองไม่มีใครชวนเลยไม่มีอะไรมายั่วยุนะก็ยังมีสันดานชอบไปทําร้ายคนอะไรเงี้ยเป็นอกุศลรุนแรงแต่ถ้า ถูกเยั่วมาสามวันสามคืนแล้วโอโหโทนไม่ได้ชกพปทีหนึ่งนี่มีอกุศลเหมือนกันนะแต่อกุศลตัวนี้มันถูกยั่วถูกยุบมานะมันไม่รุนแรงเท่าไหร่บาปมันรออ่อนกว่านะส่วนกุศลก็เหมือนกันทั้งกุศลที่มันเกิดเองนะเกิดโดยสันดานนะเกิดด้วยความเคยชินที่เป็นกุศลนะั้นเป็นกุศลที่มีกําลังแรงเช่นเรากล้าเสียสละนะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยาก เขาไม่มีข้าวกินไม่มีโรงศพไม่มีอะไรเงี้ยนะไปบริจาคให้เขาอะไรช่วยเหลือด้วยจิตใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเองโดยสัญชาติสัญดานโใช้สันดานสันดานไม่ใช่คำหยาบนะสัญดานที่ดีโน้มน้าวจงใจอยากทำนี่เป็นกุศลแรงอีกพวกหนึ่งทำเพราะเสียไม่ได้นะถูกชวนพอออกภรรษาเห็นไหมซองมาแล้วน้ามืดเลยใช่ไมซองมา วัดหลวงพ่อไม่มีแจกซองนะจ่ไว้นะเพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ต้องตกใจพอซองมาเนี่ยเราไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไทำไปอย่างเสียไม่ได้เยได้บุญเล็กๆเพราะฉะนั้นกุศลใดนี่นะที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จูงใจโน้มน้าวให้เกิดมีกำลังกล้าจิตซึ่งจะใช้ทำมิปัสสนานี่ยต้องเป็นจิตที่มีกุศลกล้าเพราะฉะนั้นสติต้องเกิดเอง ถ้าจิตมีสติเกิดขึ้นได้เองนะโดยไม่ได้จูงใจให้เกิดนี่เป็นสติเป็นจิตซึ่งมีกําลังกล้ามีภูสนกําลังกล้าอันนี้ยเหมาะที่จะไว้ทำํำวิปัสสนามากที่สุดนั้นเราต้องรู้ไปนะต้องเรียนว่าทํายังไงเราจะเกิดจิตซึ่งมีกําลังภูสนแก่กล้าทํายังไงสติจะเกิดได้เองนะเราต้องรู้ว่าสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากทีระสัญญา ทิระสัญญาแบบว่าการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นยําในพระพิธรรมจะสอนบอกว่าการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติดังการจําสภาวะได้แม่นทําให้เกิดสติคนที่มาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะสอนให้หัดดูสภาวะถ้าเราเห็นสภาวะบ่อยๆนะเราจะจําแม่นถ้านานๆเห็นทีหนึ่งจะจําไม่แม่น การที่ตามดูสภาวะบ่อยๆนะเช่นร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะคู่รู้สึกละเอียดรู้สึกฟองรู้สึกยุบรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกนะโรคปรดหลงขึ้นมาไม่โรคไม่ปรดไม่หลงขึ้นมาคอยรู้สึกรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกไปเรื่อยๆทีแรกยังไม่มีสติหรอกนะค่อยตามรู้สึกไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวน้ําเผลอไปก่อนเผลอเคลื่อนไหวไปก่อนแล้วอ้าวเมื่อกี้เผลอไปเคลื่อนไหว นะโลกไปก่อนแล้วอ้าเมื่อกี้เผลอไปโลภใจลอยไปคิดก่อนแล้วรู้ว่าเอ้าเมื่อกี้หลงไปคิดละนะการที่จิตมันจําเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะในที่สุดมันจะจําสภาวะได้พอมันจําสภาวะได้นะต่อไปสติจะเกิดเองโดยไม่ต้องจุงใจให้เกิดนะสติเกิดเองยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อนะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนะี่ยไปเจอหลวงพ่อเทียนนะั้นมาหัดขยับบ้างนขะยับไม่ค่อยสวยแล้วเนี่ยเพราะว่าที่มันแคบนะ ขยับนะจริงๆก็ขยับยังไงก็ได้ขยับอย่างนี้ก็ได้ขยับนี้ก็ได้แต่หลวงพ่อเตียนท่านขยับเนี้ยสิบสี่จังหวัดเราขยับขยับเรามาเล่นอยู่สองวันนะมีวันหนึ่งเห็นเพื่อนมันเดินอยู่คนละฝั่งถนนดีใจนะไม่เจอนานแล้วขยับเท้าจะไปคุยกับมันจะเดินไปคุยนะพเท้าเคลื่อนไหวซะนะสติเกิดขึ้นมาเลยะจิตมันจําสภาวะรูปที่เคลื่อนไหวได้ มันเคยขยับหนี้เราเคยรู้สึกรู้สึกนิ้วเท้ามันไหวให้มันไม่ได้เจตนาจะรู้สึกสติเกิดขึ้นเองนี่สติชนิดนี้แหละสําคัญมากนะสติเกิดได้เองหรือบางคนไปเรียนการอาจารย์สุรวัตรสุรวัตรสอนให้รู้ว่าจิตไหลไปจิตจิตเหลอไ ป, ไ, ปไปจิตไปคิดก็รู้ทันว่าจิตไปคิดนะในขณะนั้นก็รู้ตัวขึ้นไปแว บ, บหนึ่งเดี๋ยวไปคิดอีกก็รู้อีกไปคิดอีกก็รู้อีกต่อมาไม่ได้คิดจะฝึกกรรมาฐานอะไรหรอกเหลอไปคิด พอจิตไหลไปคิดปั๊บสติมันเห็นนะจิตมันหไหลไปแล้วสติมันเห็นเองสติเกิดเองสติที่เกิดเองนี่แหละเป็นกุศลที่มีกําลังกล้าไม่ได้มีโลภเจตนาไม่เจือด้วยโลภเจตนาที่จะให้มีสติจะต่างกับสติอีกชนิดหนึ่งนะที่พวกเราส่วนมากทํากันสติที่เกิดจากการจงใจทําให้เกิดสติสติอย่างนี้ใช้ไม่ได้จริงในการทํำมิพัฒนาแต่ใช้ทําสมถะได้ เช่นเราจะรู้ลมหายใจเราก็กำหนดจิตเอาไว้กับลมหายใจไม่ให้ลืมลมหายใจเลยเราจะดูท้องพองยุบนะเรากาหนดสติกาหนดจิตจ่อลงไปที่ท้องไม่ให้ลืมท้องเลยเราจะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเราเอาสติจ่อลงไปที่เท้านะไม่ขาดสติเลยเท้ากระดิกคลิกๆๆนี่รู้หมดนะจะหยิบขวดน้ำเนี่ยคลิกๆๆเนี่ยเห็นมันรูปประตูนะเห็นรูปมันดับป๊อปๆไป ใจมันจ่ออยู่ที่รูปเนี่ยสติอย่างนี้นะรู้สึกเกิดได้ทั้งวันพวกเราลืมไปอย่างหนึ่งว่าสติหรือครูสนที่เกิดซ้ําๆๆตลอดเวลาได้มีอยู่ชนิดเดียวคือฌานาจิตเกิดในฌานาจิตคือจิตที่เพ่งเท่านั้นเองไม่ใช่สติที่จะใช้ทำวิปัสสนาอะไรหรอกเพราะฉะนั้นตรงที่กําหนดกําหนดกนดําหนดนะเราหลังๆชอบกําหนดนะไม่ใช่ทําวิปัสสนานะถ้ากําหนดไปแล้วจะได้สมถะ อย่างบางคนหายใจใช่ไหมกำหนดจิตจออยู่กับลมหายใจไปหายใจไปเกิดปีติตัวลอยตัวเบาตัวโคลงอะไรขึ้นมานี่นเรื่องของสมถะบางคนเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าเพ่งอยู่ที่เท้าไปเรื่อยใช่ไหมรู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญ่ตัวเล็กนะบางคนก็รู้สึกผลลุกผนพองรู้สึกบุบบุบ้าบๆรู้สึกเหมือนแมลงมาไต่ตามร่งางกายบูบแปบยิบแบบยิ บ, ย บ, ยบนะ อันนี้เป็นเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยเราอย่าไป น, นึกว่าวิปัสสนานะนนสติที่เกิดจากการกําหนดไม่ใช่วิปัสสนาบางคนไปเข้าใจผิดว่าก็ต้องกําหนดนะถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเรากําหนดใส่ตัวอารมณ์เมื่อไหร่จะเป็นสมถะในทางอภิธรรมเรียกการกําหนดใส่ตัวอารมณ์นั้นมีศัพบเฉพาะอันหนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมนะอารัมมะนะก็คืออารมณ์นั่นเอง ท้าเมืไรเรามีสติเพ่งใส่ตัวอารมณ์เมื่อ น, นั้นเป็นสมถกรรมฐานจำไว้นะกระทั่งการเพ่งรูปเพ่งนามก็เป็นสมถกรรมฐานไม่ใช่ว่าถ้าเพ่งรูปนามแล้วจะต้องเป็นวิปัสนาถ้าเป็นวิปัสนาไม่ได้เห็นรูปนามนะวิปัสนาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสนานิจจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้จิตจะต้องตั้งมั่นส่วนนี้แหละคือตัวสัมมาสมาธินะ จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองวิธีทําให้เกิดสัมมาสมาธิก็ทําได้หลายอย่างอย่างที่หนึ่งทำฌานจนถึงฌานที่สองพอถึงฌานที่สองจิตมันจะตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูในทางตําราจะเรียกว่ามีเอโกทิภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งภาวะอะไรที่เป็นหนึ่งคือภาวะของจิตผู้รู้นั่นเองจิตมันจะสร้งตัวรู้ขึ้นมา พอเราออกจากฌานแล้วนัตัวรู้นี้ยังทรงอยู่มันจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีใช่ไหมเกิดปัญญาทันทีเห็นไตรลักษณ์ทันทีเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูมีใครรู้สึกว่าพัดนี้เป็นตัวเราไหมไม่มีเพราะอะไรมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันอยู่ห่างๆนึกออกไ้มแทนที่มันจะห่างแค่นี้มาร่างกายเราเนี่ย ถ้าจิตของเราตั้งมั่นขึ้นเราจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายอยู่ห่างๆนะคนที่เรียนจัโลวงพ่อช่วงหนึ่งจะเห็นทุกคน่ะร่างกายจะอยู่ห่างๆจิตมันแยกออกมาเรียกว่าแยกรูปกับนามออกจากกันนะการแยกรูปกับนามออกจากกันนี่มีสับเฉพาะเรียกนามรูปอริเชติยากรูปกับนามมันแยกออกจากกันมีปัญญาแยกรูปนามออกจากกันทันทีที่แยกออกไปใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นอยู่ทันทีเลยร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้ ร่างกายพองยุบจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้มันหยุดมันแยกออกมาตา่างมันจะเกิดปัญญาทันทีเลยเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยคือการเจริญปัญญานะเรียกว่าปัญญาสิกขามีสติรู้กายรู้ใจมีสัมมาสมาธิคือมีใจตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดู มันจะแยกออกมาปุ๊บจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทันทีเห็นทันทีว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเท่านั้นะบางคนฟังหลวงพ่ออย่างนี้นะงงๆฟังไปเรื่อยๆฝึกรู้ตัวหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยนะวันหนึ่งไปอาบน้ํามีคนมาเล่าบ่อยๆนะเรื่องอาบน้ําเนี่ยถูสบู่ใช่ไหมบางทีก็ขัดที่ไกลขัดขัดไปขัดมานะสติมันเกิดะระลึกขึ้นมาใจมันเกิดตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดู สติมันระรึกขึ้นมาจะรู้สึกเลยนี่มันเป็นท่อนๆ อ, อะไรท่อนหนึ่งท่อนหนึงนี่มันไม่ใช่ร่างกายของเราอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่แขนนะรู้สึกเป็นท่อนอะไรท่อนหนึ่ง light, นะบางคนตกใจไปเลยความจริงนั่นแหละไปเห็นรูปเขาแล้วเห็นรูปแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาะงั้นอยู่ว่างๆนะไม่มีอะไรทํานวดตัวเองไปนะไม่ต้องไปให้คนอื่นนวดนะเสียสตังนวดตัวเองไปสัมผัสไป ดีกว่นั่งสมาธิเคลิ้มงอแงงอแงนะนวดตัวเองไปแก้เมื่อยได้ด้วยนะแมงวีแ ม, ง, แมงวันมายกมือปัดจับา ก, กาให้ตายนะแกปั ด, ป, ด, ป, ดปัดนะปัดปัดนะเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะฝึกไปนะจะทําอะไรหัดรู้สึกไปนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไม่มีอะไรทำก็ น, นวดตัวเองแก้เมื่อยไปแนะล้วสัมผัสไปรู้สึกไหมมันเป็นท่อนแข็งแข็งอะย่างนีนนะแต่อย่าคิดนํานะจับเล่น จับเล่นๆไปเรื่อยๆแล้วก็ใจเราไหลบิคิดเราก็รู้ใจเราไปเพ่งใส่แขนเราก็รู้ใจเราไปทำอะไรเราคอยรู้นะถึงจุดหนึ่งใจตั้งมั่นในการที่เราคอยรู้ทันจิตใจเนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นมีสมาสมาธิขึ้นมานะวิธิที่หนึ่งทาฌานคนที่ทำฌานไม่ได้ไม่เป็นไรนะหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งนะมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิชนิดนี้ชื่อคณิกะสมาธิ คณิกาสมาธิคือชาสมาธิชั่วขณะฟังดูรับกิ๊กก๊อกนะแต่จอบงอ่่งแหมใครๆก็อยากได้อัปปนานะส่วนมากเป็นอัปปลักษ์สมาธินะไม่ถึงอัปปนาสมาธิลักษณะของอัปปลักษ์สมาธินี่ทําให้ดูนะนี่นั่งอ ย, นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอัปปลักษ์สมาธินะไม่ใช่อัปปนาดังนะนั้นถ้าเราทําอัปปนาสมาธิไม่ได้นะเรามีสติคอยดูจิตดูใจของเราด้วย จิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะพอไปจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะค่อยๆแยกตัวออกจากอารมณ์ะเช่นจิตมันใจลอยจิตมันิปชิดพอเรารู้ทันนะจิตก็ตื่นขึ้นมาแวบหนึง่งเราจะเห็นเลยความคิดนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่จิตจิตมันโลภขึ้นมานะพอเรามีสติรู้ว่าจิตโลภเราจะเห็นเลยความโลภเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่จิตแยกออกจากกันนะ เราโปรดขึ้นมาพาเรามีสติรู้ทันปั๊บเราจะเห็นเลยความโกรธเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตนี่มันแยกออกมาจิตซึ่งจะเป็นผู้รู้อารมณ์มันจะตั้งขึ้นมาแต่มันอยู่ชั่วขณะนะเดี๋ยวมันก็ไหลไปอีกไม่เหมือนคนที่ทรงฌานทรงฌานจะอยู่นานเนี่ยเรามีสมาธิชนิดนี้แหละพอแล้วพอแล้วแต่ถ้าใครมีบุญวาสนาทําอัปปนาสมาธิได้ก็ทําะถ้าทําไม่ได้ก็อย่าฝืนนันมันจะกลายเป็นอั ป, ปรักษสมาธิส่วนมากเห็นอย่างนั้นนะไม่ค่อยมีดอกอัปปนา นะมีอยู่ช่วงหนึ่งหลวงปู่เทศท่านยังอยู่หลวงพ่อชอบไปอยู่กับท่านนะกลางคืนที่วัดท่านที่หินมักเป้งนะคนไปภาวนาเยอะก็ะไปนั่งสมาธิกันในโบสถ์ในโบสถ์ไม่พอนั่งโบสถ์ท่านเล็กนะเล็กศาลาหนี่ก็อยู่กันรอบรอบโบสถนะ์ทั้งนั่งทั้งเดินเนวันวันหนึน่งเยอะทีเป็นร้อยหนยหลวงพ่อก็ไปกับเขาบ้างนะไม่ไปก็น่าเกลียด น, นะเขาไปภาวนากันก็ไปเดินเดินมีแต่พวกนั่งเคลิ้มเคลิมนะ นั่งแล้วก็เครเปิดเทปหลวงปู่ไว้หลวงปู่เสียงเพราะฟังแล้วนุ่มนวล น, นะเปิดแล้วพอครบชั่วโมงเทปมันดีแป๊บวันนี้ภาวนาดีจังนะใจเราก็นึกนะไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยเนี่ยขาดสติว่าอีกพวกหนึ่งนะหายใจนะเครียดเครียดมากเลย นี่มันก็ไม่ใช่ดูไปดูมาไม่เห็นมีใครปฏิบัติใจมันนึกอย่างนี้นะเช้าขึ้นมานะเข้าไปกราบหลวงปู่ตามคุณป้าคนหนึ่งนะไปจัดดอกไม้เข้าไปถวายหลวงปู่ตอนเช้าเช้าตามเข้าไปนะหลวงปู่หันมามองหน้าเรานะแล้วก็ยิ้มนะวัด น, นี้ไม่มีใครเข้าปฏิบัติกันแล้วเราพวกเรานี่อายเลยเราแอบนินทาอยู่ที่โบสถ์นะกลาคือเช้าท่านเฉ่งเราเข้าละไม่ดูตัวเอง ให้ดูตัวเองไม่ให้ดูคนอื่นคนฟังแล้วก็งงๆเผวนนากันเป็นร้อยทําไมหลวงปู่ว่าไม่ปฏิบัติเพราะอะไรเพราะไม่ได้มี ส, ต, สติสติสําคัญนะหลวงปู่เทศสอนหลวงพ่อมาบอกสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีสติไปสติอันนี้หมายถึงสติปัฏฐานคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆนะรู้สึกไปเรื่อยๆดูเล่นๆไปเรื่อยๆ วันหนึ่งจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันจะเห็นว่าเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่ใช่เรามันจะเห็นว่าจิตตสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานะตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นอย่างนี้นะมีเป็นพันๆและ้นะมีเป็นพันๆนล้วเหลืออันเดียวเหลือจิตยังเป็นเราอยู่นะถ้าใครฝ่าด่านสุดท้ายนี้ได้ก็พ้นแล้วละ่ะ ก็เอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปอาบายถ้ายังฝ่าด่านสุดท้ายไม่ได้ยังไว้ใจไม่ได้นะยังลมลุกลุกคลานได้อีกด่านสุดท้ายเลยคือการเห็นแจ้งว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเนี่ยเป็นของที่เห็นยากที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเราพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนบอกว่าดูพระรภิกษุทั้งหลายผู้ทุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงคนที่ไม่ได้ฟังธรรมของท่านหรือของพระอริยเจ้า ท่านบปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรามีแต่คําสอนในอริยวิไยในธรรมะของท่านนี้เท่นั้นถึงจะทําให้เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราได้เพราะการที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราได้ยากเนื่องจากเรายึดถือมานานเราสําคัญมั่นหมายมานานว่าจิตเป็นตัวเราพวกเราลองวัดใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์นะลองวัดใจตัวเองดูเรารู้สึกไหมร่างกายเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายของเราเดี๋ยวนี้กับร่างกายของเราตอนเด็กๆเนี่ยคนละคนกันรู้สึกไหมมันไม่เหมือนเดิมนะร่างกายของเราเดี๋ยวนี้กับตอนวัยรุ่นก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าอายุขนาดหลวงพ่อหรือขนาดเบอร์ห้าสิบเนี่ยร่างกายสมัยกลางๆคนกับตอนนี้ไม่เหมือนกันละนี่เรารู้ได้ร่างกายมันไม่เหมือนเดิมแต่เรารู้สึกไหมแต่ละคนในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆยังเป็นเราคนเดิม เนี่ยเราจะสําคัญมั่นหมายมีเราอยู่คนหนึ่งนั่นเราสําคัญว่าจิตคือตัวเราอันนี้แหละจิตเป็นเราอยู่ยากมากที่จะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราถ้าเมื่อใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราวันนั้นจะได้พระโสดาบันจำไว้นะะวิธีที่จะให้เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะรู้สึกตัวไดเร่รกันเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เรานะเห็นจิตตสังขันคือกุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลย ต้ามาสังเกตจิตใจไม่ต้องรีบสังเกตนะฟังหลวงพ่อพูดแล้ววันหนึ่งจิตมันจะไปสังเกตเองอย่าไปจงใจสังเกตนะ้อดูใหญ่ดูใหญ่อย่างนี้จะไม่เจอะค่อยๆรู้สึกไปเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้ใช่ไหมเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดรู้สึกไหมต้องหัดรู้ตัวจนชำนาญนะอจะรู้จักว่าอ๋อเนี่ยจิตมันรู้ขึ้นมาแล้เดี๋ยวจิตมันก็หลงไปคิดเดี๋ยวจิตมันก็รู้เดี๋ยวจิตมันก็หลงไปคิดเนี่ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปเราจะเห็นว่าจิตนี้มันไม่เที่ยง เดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี <im it> ๋ยวมันก็เป็นผู้เพ่งรู้ตัวอยู่ดีแวบๆเพ่งไปละยกตัวอย่างนะส่วนใหญ่อยู่เฉยๆก็ใจลอยใจลอยเนี่ยจิตเป็นผู้คิดเกิดมีสติรู้ทันว่าจิตเมื่อกี้คิดจิตในขณะที่รู้ทันนั่นแหละจิตเป็นผู้รู้ถัดจากนั้นมันกลัวจะหลงไปคิดอีกก็เลยเพ่งเอาไว้จิตกลายเป็นจิตผู้เพ่ง เนียจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งมุนอยู่อย่างเงี้ยเราฝึกไม่ใช่ฝึกที่จะให้จิตเป็นผู้รู้ตลอดวันตลอดคืนเพราะจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนไว้โรกูล่าผู้เจ้าก็ท่านสอนบอกว่าผู้ใดเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิใครเอาชะนีมา แล้วเราไปดูไปนะจิตผู้รู้เกาไม่เที่ยง เ, เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพลิดเพลินในความสุขในความโลภในความโกรธในความหลงในความทุกข์นะเนี่ยรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปเกิดที่ตาคือวิ่งไปดูเดี๋ยวเป็นจิตที่เกิดที่หูคือวิ่งไปฟังเดี๋ยวเป็นจิตที่เกิดทางใจวิ่งไปคิดบ้างไปเพ่งบ้างนะ เนี่ย <N ic dessas> จิตมันหมุนเวียนอย่างนี้ย <N ic of stimulation> ค่อยๆฝึกนะวันนึงก็เห็นหรอกไม่ยากหรอกนะแรกๆ ก, ก็แค่รู้สึกตัวไว้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอันนี้จะทําให้เกิดสติอัตโนมัตินะจิตมันจําสภาวะของร่างกายของจิตใจได้แล้วสติเกิดเองเพราะฉะนั้นร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกพอสติจริงๆเกิดเองขึ้นมานี่จิตมันจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะจะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะ จิตมันตั้งมั่นชั่วขณะจะมีความรู้สึกว่าร่างกายอยู่ห่างๆจิตอยู่ห่างๆจิตกับร่างกายห่างกันจิตกับเวทนาอยู่ห่างๆกันจิตกับสังขารความโลภความโกรธความหลงอยู่ห่างๆกันเ น, นี่ยฝึกดูอย่างนี้ไปก่อ น, นต่อไปก็จะเห็นอีกเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่ตา <ๆ S 2> เดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่หูเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางใจวิ่งไปวิ่งมาหาความแน่นอนไม่ได้เราอย่าไปคิดว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมานะอันนั้นเราดูไม่เป็นยังดูไม่ไม่ชำนาญพอ เหมือนเราดูหนังการ์ตูนเรารู้สึกว่าตัวการ์ตูนเนี่ยเดินไปเดินมาได้การ์ตูนตัวสุดท้ายที่หลวงพ่อรู้จักนะคือโดเรมอนนะหลังจากนั้นไม่รู้จักไม่เคยดูนะ <_ S 1> เราเห็นโดเรมอนเดินไปเดินมาทั้งๆที่ในความเป็นจริงโดเรมอนไม่ได้เดิ น, นะมันคือรูปแต่ละรูปรูปแต่ละรูปจิตนี้ก็เหมือนกันจิตไม่ได้วิ่งไปวิ่งมามันคือจิตแต่ละดวงแต่ละดวงจิตแต่ละดวงมันทํางานสืบเนื่องกันไปเราเห็นว่ามันวิ่งไปวิ่งมาความจริงจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลา จิตไม่ได้เที่ยงนะในขณะที่พวกเราเห็นว่าจิตเที่ยงจิตของเราวันนี้กับจิตตอนเด็กๆยังเป็นคนเดิมอยู่เลยะจิตของเราวันนี้กับจิตปีหน้าก็คนเดิมอีกจิตของเราเดี๋ยวนี้กับชาติหน้าก็คนเดิมอีกนั่นบางคนเลยต้องเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเพราะว่าเราเป็นคนเดิมนะแต่ก็ต้องเลี้ยงหน้าไม่ใช่สอนบอกว่าไม่ต้องทํำนี่ใครฝึกไปนะวันหนึ่งก็จะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา เวทนาคือความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราจิตตสังขารไม่ใช่เราตัวจิตแท้ๆที่เป็นผู้รู้นะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวเราที่เที่ยงเที่ยงหรอกตัวเราที่เที่ยงเที่ยงไม่มีวันใดที่จิตมันเดินปัญญาแก่รอบถึงขนาดนี้แล้วนะจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นโสดาปติมรรคจะตัดความเห็นผิดว่ามีตัวเราเออกไป พอถอยออกมาจากโสดาปฏิมาศโสดาปฏิผลแล้วกลับมาสู่โลกมนุษย์เนี่ยเวลาเราดูเข้ามาในจิตในใจเองจะไม่มีแม้แต่เงาของความรู้สึกว่ามีตัวเรานะเงาก็ไม่มีนะบางคนบอกเป็นโสดานะความเป็นตัวตนเต็มหน้าอกอยู่นี่นะไม่ใช่เปลี่ยนจริงบางคนมันเบาบางนะเหมือนเป็นเงาเงาเคลือบเคลือบแฝงแฝงขึ้นมายังไม่ขาดจริงถ้าขาดด้วยอริยมรรคแล้วจะไม่มีฟลูขึ้นมาอีกเลยนะวันนี้แค่นี้พอ เชิญเตถันข้าวนิมนต์ครับนิมนต์